สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนํามาฝากกันนะคะเราพบกันในทุกๆเช้าของวันพระหัสสบดีซึ่งทางน่านของแฟนเพจ a c e b o o k นะคะก็วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะสามารถรับฟังได้ในสองช่องทางหลักของเราค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการและมีเรื่องราวอุทา หอนต่างๆในการเตือนภัยหรือแม้แต่ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะก็จะนำมาพูดคุยบอกเล่าให้ผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงเวลา30นาทีต่อจากนี้ค่ะเริ่มต้นกันนะคะในช่วงนี้กับ การเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับหญิงสาวท่านหนึ่งนะคะเธอมีการฝากอุทาหรณ์คนที่ต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยระวังการรับฝากหิ้วของหลังเจอคนฝากหิ้วของไปสารัฐแก่ออกดูค่ะเพราะว่าเป็นกัญชาถูกซ่อนมาในกางเกงยีนย้ำนะคะว่าคนเราไม่จำเป็นต้องรับหิ้วของใครค่ะ เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทาง a c e บ o ๊ k นริศราเอ แสงวันนะคะโพดภาพการสนทนาระหว่างตนเองและหญิงสาวรายหนึ่งแล้วจากที่คุณคนเล่าเนี่ย น, นะคะคุณนริศราเองเนี่ยต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและปรากฏว่ามีคนรู้จักนะคะต้องการฝากของไปโดยถามตัวเองว่าที่วางกระเป๋าอากระเป๋าเนี่ยพอจะเหลือที่ไหมต้องการฝากเสื้อผ้าไปไม่กี่ชิ้นโดยเธอก็แกะของทุกชิ้นตรวจสอบเสื้อผ้าทุกอย่างที่ต้องการฝากเธอนะคะสุดท้ายพบว่าของที่ส่งมามีกัญชาค่ะซึ่งสุขซ้อ ใส่มาในกระเป๋ากางเกงยีนทำให้เธอรู้สึกโกรธมากและต้องการเตือนภัยสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศและมีคนรู้จักฝากสิ่งของไปนะคะว่าต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ดีเพราะเสี่ยงต่อการโดนตรวจจับและต้องถูกดำเนินคดีค่ะ โดยเนื้อหาที่คุณริศรามีการโพสต์เตือนใน Facebook ของเธอนะคะโพสต์เอาไว้ว่าต้องจำไว้เป็นบทเรียนจะฝากใครหิ้วของหรือจะรับหิ้วของให้ใครไปต่างประเทศถ้าไม่จำเป็นนี่ไม่ควรรับเลยอย่าแค่คิดว่าต้องเกรงใจคนรู้จักกันเพิ่งโดนกับตัวเองจะบินอีกไม่กี่วันเกือบจะต้องมาซวยเพราะคนอื่นแท้ๆล่าสุดเพิ่งมีคนเอาของมาฝากหิ้วไปอเมริกาให้คนมาส่งของที่บ้านมีของรวมกันหลายๆอย่างหลายแพ็คหลายกล่อง เราก็แกะตรวจสอบทุกอย่างเพื่อที่จะแพ็คลงกระเป๋าเดินทางแต่ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะคิดตนไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองของที่ส่งมามีกัญชาซุกซ่อนใส่ในกระเป๋ากางเกงยีนคือตอนควรจะต้องรู้สึกแบบไหนโกรธแบบที่ไม่ควรโกรธพอสามีรู้ยิ่งโกรธโมโหมากกว่าเราอีกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆกันหรือถึงกล้าเอาของแบบนี้มาฝากให้คนอื่นหิ้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นการเตือน ที่เรียกว่าเป็นภัยจากคนใกล้ตัวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายท่านก็เราเองเนี่ยด้านจะบอกว่ารับฝากเพราะว่าเกรงใจนะคะบางทีก็ถ้าเขามีบินเราก็ไปฝากเขาบ้างหรือถ้าเราบินเองเนี่ยก็มีคนมาฝากของกับเราบ้าง น, นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่คุณนริศราบอกนะคะก็คื อ, อถ้าเราเกรงใจแล้วสร้างความเดือดร้อนกับตัวเราเองเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะต้องเกรงใจนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าในเคสนี้เนี่ย คุณนรศราเองไม่ได้ตรวจว่าข้างในกางเกงยียนมีกัญชาซ่อนอยู่นะคะแล้วเดินทางไปที่สารัตรับรองว่าคุณนรศรานั้นจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนค่ะส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นการแจ้งเตือนโดยรวมนะคะที่คาดว่าเราอาจจะได้เจอเหตุการณ์นี้บ้างก็ได้นะคะเพราะว่ามีเหยื่อที่ พบเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายรายด้วยกันค่ะมิจฉาชีมนะคะอ้างตัวเป็นเจ้าที่เทศบาลเขียนใบเสร็จเรียเก็บเงินค่าขยะ360บาทจากร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนรัตนาทิเบตค่ะพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะชื่อคุณวิม น, นัด พุทธจักสีนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่ริมถน น, นรัตนาที่เบส ท, ที่หมู่หนึ่งตําบลบางรักใหญ่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีการโพสต์เฟซบุ๊กและแชร์ข้อความว่าเตือนภัยกันนะครับเหตุเกิดแถวแยกบางพลูครับเหตุเกิดวันที่24พฤษภาคม2562มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านและบอกกับเราว่ามาเก็บค่าขยะเราก็ถามไปว่าเท่าไหร่เขาบอกว่า3ามรบบาทคิดเป็นรายปีเราก็ เอกใจแล้วแหละเขาก็เขียนใบเสร็จให้เราพอเราเห็นใบเสร็จเราก็ถามกลับไปว่าใบาเสร็จไม่มีตราประทับเลยเหรอว่าเป็นของสํานัก ง, งานไหนหรือว่าหน่วยงานไหนเขาก็พยักหน้าพอเรายื่นเงินให้เขารีบเดิอนออกจากร้านเลยเราเลยรู้แล้วนะว่าน่าจะถูกหลอกก็เลยรีบโทรติดต่อกับเทศบาลบางบัวทองเขาก็บอกเราว่าไม่ใช่คนของหน่วยงานเขานะครับแต่มีคนแจ้งมาหลายคนแล้วว่าโดนแบบนี้เหมือนกันตอนนี้เราได้ลงคลิป และรูปถามไปให้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับ โดยภาพนี้นะคะก็จะเป็นาภาพที่มีการแชร์มาจะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะจากภาพชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดําด้านหน้าเขียนตัวหนังสือสีขาวสวมกางเกงขาสั้นสีดําในมือถือเอกสารเดินเข้ามาภายในร้านและตรงไปที่เคาน์เตอร์จากนั้นส่งกระดาษให้กับพนักงานที่ร้านหนึ่งใบมีท่าทางน่าสงสยัยหมองกล้องวงจรปิดตลอดเวลาจากนั้นมีการพูดคุยกับพนักงานและพนักงานก็ส่งเงินให้ชายคนดังกล่าวก็ได้รับเงินแล้วก็รีบร้อนเดินออกไปค่ะ จา ก, การสอบถามนะคะคุณวิมล น, นัดนายพนัก ง, งานร้านบอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาแอบอ้างนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บค่าขยะรายปีหลังจากได้เงินเนี่ยก็รีบเดินออกจากร้านเลยนะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะคะซึ่งหลังตรวจสอบกับเทศบาลก็พบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแชร์ข้อมูลเพื่อเตือนภัยประชาชนให้ตรวจสอบกับหน่วย ง, งานที่อยู่ในเขตของคุณนะคะว่ามีการเก็บเงินแบบนี้จริงหรือไม่นะคะเบื้องต้นค่ะผู้เสียหายได้โพสต์เพื่อเตือนภัยกับร้านค้าอื่นๆและประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพที่ อาจจะมาหลอกลวงอย่าลงเชื่อนะคะให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าจําเป็นต้องจ่ายเงินค่ะฝากเอาไว้ในช่วงแรกนะคะกับ2ข่าวคราวของเราซึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ราอาจจะมีโอกาสในการที่จะพบเจอได้นะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะพักสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการรวบตัวอดีตพนักงานนะคะนําบัตรเครดิตของบริษัทไปรูดนะคะ ซื้อของกินอยู่สบายสุดรู้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเราไปถึงข่ายข้อห้องใจนะคะยาแก้ปวดประจำเดือนของสาวๆที่เป็นเม็ดค่อนข้างจะใหญ่นะสีเหลืองๆเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีผลทำให้เกิดช็อกแกลเซตช่วงหน้านะคะมีคำตอบค่ะเพื่อนตันภัยติดตามค่ะ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 แค่ได้ร่างเธอขอแค่เพียงวันไหนที่เธอนั้นเศร้าและเสียใจมองหารอบกายไม่เจอกับผู้ใดเธอมีฉันที่อยา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 แค่ไดเธอแค เป็นเพียงพระเองจำลองเป็นเพียงแค่เพราะรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบดที่ฉันเป็นมาไม่ร้อนสนใจมาไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจ เ, เพื่อนตันภายในช่วงที่สองของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณวังค่ะที่ฉันมีข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นกรณีของปออค่ะมีการรวบตัวอดีตพนักงานนะคะขโมยบัต ร, ครเครดิตของบริษัทไปรูด ตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสนะคะกินอยู่สบายรู้ราไฮโซค่ะเรื่องเหล่านี้นะคะเกิดขึ้น10มิถุนายนที่ผ่านมาพลตํารวจรตรีไมตรีชิมเชิดผู้บังคับการกอมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือป อ, อสอนะคะมีการสั่งการให้พันตำรวจเอกพาดนจันดอนผู้มักับการ5 บกปอสค่ะนำกําลังเข้าจับกลุ่มนางสาวธมนวันก้อนทองอายุ32ปีตามหมายจับสารอาญาที่816หนึ่ทับสองลงวันที่5้ามิถุนายนในข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้อื่นที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการชําระค่าสินค้าค่าบริการหรือนี่อื่นแทนการชําระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนโดยสามารถจับ กุมได้นะคะที่บ้านหลังหนึ่งในซอยกาญจนาพิเศษก39แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครค่ะ พันธุรพลเอกพาดนนะคะที่เป็นผู้นํากําลังจับกลุ่มบอกว่าสืบเนื่องจากในช่วงของต้นเดือนพฤษภา ค, คมของปีนี้นะคะก็มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่ามีคนร้ายเนี่ยแหะคะ่ะนำบัตรเครดิตธนาคารของทางบริษัทไปรูดใช้จ่ายมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงถึง6ล้านบาทเลยนะคะจากนั้นเองนะคะก็อ่ า, านั่นของผู้บังคับการก็บังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญา การทางเศรษฐกิจเองได้สั่งให้จัดชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดเนินคดีนะคะและเมื่อตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายของบัตรเครดิตพบว่าคนร้ายได้มีการนำบัตรเนี่ยไปรูดใช้จ่ายเต็มวงเงินเลยค่ะ 6 0 0 0บาทเกือบทุกเดือนนะคะตั้งแต่ปลายปี2560มูลค่าความเสียหายเนี่ยรวมกว่6ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบถามไปที่ฝ่ายบัญชีของบริษัททราบนะคะว่าฝ่ายบัญชีเนี่ยเข้าใจว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ใช้บัตรดังกล่าวก็เลยทําการจ่ายเงินให้กับธนาคารทุกเดือนกระทั่งเจ้าของบริษัตทตรวจสอบทราบว่าบัตรเครดิตของตนนั้นที่เปิดเอาไว้หายไปนะคะแล้วก็มีคนนําไปรูดนั่นเองต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบนะคะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของคน ก็พบว่ามีการนําไปรูดซื้อทองคําจากร้านทองในจังหวัดสมุทรปราการทุกเดือนนะคะยอดแต่ละครั้งเนี่ยหน0่งถึบาทเลยค่ะตลอดระยะเวลาปีกว่าๆจานวน50าสกว่าครั้งและพบว่ามีการรูดใช้จ่ายอย่างรัวๆเลยนะคะอย่างเช่นไปจ่ายห้องพักโรงแรมรีสอร์ทรู้ค่ะตั้งแต่ราคาคือละส0 0 0 0ื่ถึงแปดหมบาทต่อคืนอีกทั้งยังรูดซื้อตัว๋วเครื่องบินชั้นเฟ r ร์สคลาสเดินทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรูดซื้ออุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆจานวนมากเลยค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบ ว, ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะก็คือนางสาวธมลวันนะคะซึ่งเป็นอดีตพนักงานของบริษัทดังกล่าวค่ะจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อสารอาญาและแนะนําหมายค้นสารพะขนงนะคะเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อไปถึงค่ะพบนางสาวธมลวันพักอยู่กับแฟนหนุ่มนะคะจึงมีการจับกลุ่มตัวแล้วก็ทําการตรวจยึดบัตรเครดิตธนาคารของผู้เสียหายซึ่งนางสาวธมลวัน นอกจากนี้นะคะการตรวจสอบทรัพย์สินนะะยังมีอีกหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมีทั้งสร้อยทองคำนะสร้อยคอทองคาหนัก2บาท1เส้นนะคะสมุดสะสมแต้มซื้อทองสี่ใบาจากการรุดซื้อทองคำน้ำหนักรวม80บาทรถยนต์นะคะยี่ห้อสุสกิสีดำรุ่นเออติก้าทะเบียนกอมองส4่พระนครศรียุทธยา1คันโทรศัพท์สมาร์ทโฟน4เครื่อง กล้อง GoPro 1เครื่องโทรทัศน์ LED 55นิ้ว1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องอุปกรณ์ปรับควบคุมเสียงยี่ห้อ Pioneer 1นเครื่องสลิปการรูดใช้จ่ายและรูดซื้อทองคำกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนหนึ่งนะคะมูลค่ารวมสินค้าทั้งหมดนี้อยู่ที่1ล้านกว่าบาทค่ะ จากการสอบสวนนางสาวธมวนวานผู้ต้องหานะคะให้การรับสา ร, รภาพว่าทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดนั้นได้มาจากการนำบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปรูดซื้อมาจริงและก็รับอีกนะคะว่าเคยเป็นอดีตพนักงานของบริษัท ด, ดังกล่าวค่ะต่อมาเนี่ยโดนให้ออกจากบริษัทก็เลยมีการขโมยบัตรเครดิตของเจ้านายติดตัวมาด้วยแล้วก็นำบัตรเครดิตนี้ล่ะค่ะไปรูดซื้อทองคําแท่งก่อนนำไปขายเพื่อเอาเงินสดมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างฟุ่มเฟือยนะคะเช่นซื้อรถยนต์ของใช้ส่วนตัวตั๋วเครื่องบินจองโรงแรม พักห้องรูเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศนะคะโดยเก็บสลีปการใช้จ่ายไว้เพื่อคอยดูไม่ให้จ่ายเกินวงเงินเบื้องต้นข่าเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาตามหมายจับนะคะก่อนนำตัวส่งหน่วยงานต่างๆต่อไปค่ะเป็นเคสที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าปกติแล้วนะคะเราจะเจอว่า ทำบัตรหายนะคะแล้วก็มีคนเอาไปรูดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่านี้คือเป็นอดีตพนัก ง, งานเลยนะแล้วก็ขโมยบัตรของเจ้านายซึ่งน่าจะเกิดจากความเจ็บช้มนะคะที่ถูกให้ออกจากงานนั่นเองค่ะอีกข่าวคราวนึงนะคะในช่วงนี้คือการไขข้อข้องใจกันนะคะหลังจากที่มีการพูดถึงนะะเกี่ยวกับการเตือนภัย ว่าอย่า ก, กินยากแก้ปวดท้องประจําเดือนเม็ดสีเหลืองค่ะหลังจากที่มีสาวคนนึงบอกว่าเธอเนี่ยไปเจอก้อนเลือดสะสมในช่องท้องนะคะก็มีคนอาแชร์ออกไปจํานวนมากเลยล่าสุดค่ะจากพี่ชิดจากแฟนเพจดราม a าแอดดิกนะคะก็มีการเปิดเผยชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการกินยากแก้ปวดประจําเดือนเม็ดสีเหลืองยอดฮิตไม่มีผลทําให้เป็นช็อกโกแลตซีดค่ะยืนยันกินแก้ปวดได้ตามปกติแนะนําสาวๆประจําเดือนมาผิดปกติต้องพบแพทย์นะคะนายแพท แพทยวิทยาศริประชัยอดีตผู้อนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตาหรือจ่าพิชิตแอดมินแฟนเพจดราม่าแอดดิกได้โพสให้ความรู้นะคะกรณีผู้ใช้ f เฟ e บุ o k สาวรายหนึ่งได้โพสเตือนภัยว่าห้ามกินยาแก้ปวดประจำเดือนแม่สีเหลืองหลังตัวเองตรวจเจอก้อนเลือดสะสมในท้องซึ่งมีคนแชร์ข้อมูลออกไปจานวนมากเลยค่ะ โดยทางเพจนะคะมีการอธิบายว่าอาการที่สาวรณีพูดถึงเนี่ยหมายถึงพวกเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ประมาณว่าเยื่อบุในโพรงมดลูกที่ควรจะอยู่ในโพรงมดลูกมันเกิดเข้าไปอยู่ในที่อื่นๆนะคะเช่นไปอยู่ในผนังกล้ามเนื้อมดลูกในรังไข่และเวลามีประจำเดือนเนื้อเยื่อที่อยู่ผิดที่ก็จะสร้างประจำเดือนออกมาด้วยค่ะทําให้เวลามีประจำเดือนนั้นก็จะมีอาการปวดร่วมนะคะบางคนก็อาจจะมีช็อกโกแลตซีดเกิดขึ้นในมดลูกหรือว่ารังไข่ได้ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะนี้มีหลายอย่างค่ะเช่นภาวะไม่มีบุตรมีประวัติได้รับเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานานประจำเดือนมาครั้งแรกตอนอายุน้อยหมดประจำเดือนตอนอายุมากรอบประจำเดือนสั้นนะคะน้อยกว่า27วันประจำเดือนมามากมีการอุดกั้นทางออกของประจำเดือนได้รับสาร DES ขณะตั้งครรภ์ส่วนสูงมากกว่าห8นิ้วดัชนีมวลกายต่ำรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเป็นประจำค่ะ ส่วนการกินยากแก้ปวดประจําเดือนเม็ดสีเหลืองนี่นะคะก็มีการชี้แจงบอกว่าไม่มีผลกับโรคนี้แต่ประการใดค่ะแต่มันคือยากแก้ปวดยอดฮิตที่สาวๆในมักจะใช้กินกันตอนปวดประจําเดือนและบางคนเนี่ยก็เข้าใจผิดว่ามันอาจจะมีผลทําให้เกิดโรคได้แต่ไม่เกี่ยวกันนะคะก็สามารถใช้ได้ตามปกติถ้าปวดประจําเดือนนั่นเองค่ะส่วนใครที่มีปัญหาชอบปวดประจําเดือนหรือว่าประจําเดือนมาน้อยนะคะประจําเดือนมาผิดปกตินะคะก็อย่าประมาทนะคะต้อง ไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพร่างกายของเรานะคะเพราะไม่แน่ว่าเราอาจจะมีเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกอยู่ผิดที่แบบกรณีของสาวท่านนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ยังมีครั้งหนึ่งนะคะว่าการรับประทานยากแก้ปวดประจําเดือนเม็ดสีเหลืองนะคะที่สา ว, สาวนิยมรับประทานกันไม่มีผลในการเกิดช็อกแกลเซีแต่อย่างใดนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะก็ฟังข่าวช่วงหน้าทางด้านของสอพชนะคะตอนนี้มีการออกมาเตือนประชาชนต้องระวังสัตว์มีพิษนะคะในช่วงหน้าฝนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องนะคะติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999ช่วงสุดท้ายในรายการเพื่อนเต้นภัยค่ะ ในช่วงนี้นะคะมีข่าวสารที่น่าสนใจจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพชนะคะเตือนประชาชนค่ะระวังสัตว์มีพิษกัดในช่วงหน้าฝนหลังสถิติในเดือนพฤษภา ค, คมปีที่แล้วนะคะมีผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษเนี่ยกัดเนี่ยมากถึง 1,578 าคนพร้อมแนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกงูกัดย้าว่าห้ามขันชะเนาะห้ามใช้ปากดูดพิษงูค่ะ สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพิจุนายนเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา น, นั้นได้ออกคําเตือนให้ประชาชนระวังตนเองเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับพายุฤดูฝนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะล่าสุดคาดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชอเองก็ออกมาเตือนประชาชนต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษซึ่งจะมากับพายุฝนเช่นเดียวกันค่ะโดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช บอกว่าในช่วงเดือนพฤษภา ค, คมถึงมิถุนายนนอกจากประชาชนจะเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งอากาศร้อนแล้วก็พายุฝนด้วยแต่หนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเหมือนกันและพอสชเองก็เป็นห่วงประชาชนนะคะก็คืออาการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการถูกกัดหรือต่อยจากสัตว์มีพิษที่มากับฤดูฝนค่ะซึ่งจากสถิติการรับแจ้งเหตุการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการโดนสัตว์มีพิษกัดหรือว่าต่อยในช่วงเดือน พฤษภา ค, คมปีที่ผ่านมานะคะมีประชาชนแจ้งเหตุมากถึง 1,578 รายด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอเตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่จะมากับฝนนะคะโดยสัตว์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะก็มีทั้งงูพิษตะขาบงูพิษเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดนะคะซึ่งจะแฝงตัวอยู่ในพื้นที่รกแล้วก็ชื้นแฉะค่ะชัางนี้นะคะก็มีข้อมูลจากสภากาชาติไทยซึ่งมีการระบุ บ, บอกว่างูพิษที่พบมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะ อันดับแรกนะคะประเภทแรกก็คืองูพิษที่มีผลต่อระบบประสาทค่ะมีงูเห่าไทยงูเห่าพ่นพิษสยามงูจงอางงูสามเหลี่ยมและงูทับสมิงคราค่ะโดยพิษของงูนี้นะคะที่มีผลต่อระบบประสาทจะมีผลทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพาตแล้วก็เริ่มจากกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะไปถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่สุดท้ายจะเป็นทั้งตัว อาการแรกเริ่มนะคะก็คือหนังตาตกค่ะผู้ป่วยลืมตาไม่ขึ้นซึ่งมาจะถูกเข้าใจ ผ, ผิดว่าผู้ป่วยนั้นง่วงนอนต่อมาค่ะก็จะเริ่มกลืนน้าลายลําบากนะคะพูดอ้อแอแล้วก็หยุดหายใจและเสียชีวิตในที่สุดนะคะ 2. ก็คืองูพิษที่มีผลต่อระบบเลือดค่ะนั่นคืองูแมวสาวซึ่งหากถูกกัดนะคะจะมีอาการปวดบวมที่บริเวณรอบแผลเล็กน้อยและงูกะปะหากถูกกัดจะมีตุ่มน้าเลือดและมีเลือดออกจากแผลที่ถูกกัดค่ะ ส่วนกรณีของงูเขียวหางไหม้นะคะจะมีอาการบวมบริเวณที่ถูกกัดและตามและลามขึ้นค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าถูกงูเขียวหางไม้กัดที่บริเวณนิ้วนะคะนิ้วมือแต่ก็จะบวมทั้งแขนนอกจากนี้นะคะจะมีอาการช้าเลือดและพิษของงูจะไปทําให้เลือดในร่างกายไม่แข็งตัวเลือดออกไม่หยุดค่ะหรือมีเลือดออกในระบบะทางเดิอนอาหารนะคะเลือดออกในสมองปัสสาวะมีเลือดปนเลือดออกตามไรฟันหรือพบภาวะไตาวายเฉียบพลันร่วมด้วย และ3นะคะก็คืองูพิษที่มีผลทําลายกล้ามเนื้อ คืองูทะเลค่ะโดยจะทําให้ปวดกล้ามเนื้อทั่วตัวปัสสาวะมีสีเข้มถึงสีดําปัสสาวะออกน้อยเนื้อจักมีภาวะไตาวายเฉียบพลันอาจมีอาการหัวใจหยุดเต้นจากภาวะโพแทเสเซียมขั่งในเลือดได้นะคะซึ่งหากว่าเราพบเห็นมีผู้ที่ถูกงูพิษเหล่านี้กัดค่ะเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นงูพิษต้องรีดโทรแจ้งเลยนะคะที่สายด่วน1 6ึ่เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากนั้นนะคะให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ะะซึ่งวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจะต้องรีบล้างแผลให้สะอาดก่อนค่ะห้ามกรีดบาดแผลหรือดูดเลือดออกจากบาดแผลเด็ดขาดนะคะนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดและอาจทำให้ผู้ที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยได้รับผิดไปด้วยหากมีแผลในช่องปากค่ะ นอกจากนี้นะคะห้ามกินยาที่มีส่วนผสมของแอสไพรินเพราะจะไปเสริมฤทธิ์ให้พิษงูทำงานเร็วขึ้นและควรจัดให้ผู้ที่ถูกงูกัดอยู่ในท่าที่นอนสบายๆเคลื่อนไหวน้อยที่สุดใช้ผ้ายืดหรือหาผ้าสะอาดพันรอบอวัยวะส่วนที่ถูกกัดให้กระชับนะคะโดยพันจากส่วนปลายขึ้นมาจนสุดบริเวณที่เป็นอวัยวะถูกกัด แล้วก็ทำการดามด้วยของแข็งค่ะเพื่อลดการเคลื่อนไหวของอวัยวะบริเวณที่ถูกกัดแล้วรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะที่สำคัญนะคะแนะนำเลยว่าไม่ควรนะคะไม่ควรไปรมพยาบาลด้วยการขันชนะเพราะหากว่าทำผิดวิธีจะทำให้ผู้ป่วยมีอันตรายมากขึ้นและหากผู้ป่วยฉุกเฉินหยุดหายใจต้องรีบทำการฟื้นขื้นชีพหรือว่าการ CPR ทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะสัตว์มีพิษอีกชนิดหนึ่งที่เราพบบ่อยก็คือตะขาบนั่นเองนะคะถ้าหากถูกตะขาบกัดให้ปพทยพยาบาลเบื้องต้นด้วยการล้างแผลที่ตะขาบกัดให้สะอาดกินยาพาราเซตามอลแก้ปวด ใช้ยามองทาบางๆเบาๆนะคะไม่กดนวดตรงบริเวณที่ถูกตะขับกัดค่ะให้ทาบางๆเท่านั้นและหากมีอาการปวดมากนะคะให้ใช้น้ําอุ่นประครบที่แผลประมาณ20นาทีค่ะและหากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วยังมีอาการปวดรุนแรงแน่นอกหรือมีอาการหอบเหนื่อยต้องรีบพาไปสถานพยาบาลเพื่อพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะยันก็ตามแล้วค่ะสิ่งที่จําเป็นและก็เป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเราเองในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการที่เรานั้นต้องสัง สังเกตบริเวณพื้นที่รอบบ้านของเราก่อนทําความสะอาดนะคะไม่ให้บ้านรกรุงรังซึ่งการรกรุงรังนี้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษแน่นอนเลยคะ่ะนอกจากนี้นะคะต้องสังเกตมุมอับของบ้านด้วยแล้วก็บริเวณที่นอนนะคะก่อนสวมใส่เสื้อผ้าก็ต้องสลัดก่อนใส่ทุกครั้งเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้ซึ่งอาจซ่อนตัวอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มและถ้าหากว่าคุณจําเป็นจะต้องไปเดินในพื้นที่รกชื้นนะคะต้องใส่รองเทา้าคุมสน้นเตรียมไฟฉายไว้ส่องสว่างและเตรียมไม้ไว้ไล่ตีสัตว์มี พิษให้ออกไปด้วยค่ะวิธีการที่ง่ายที่สุดในการป้องกันนะคะก็คือการ ดูแลบ้านของเรานะคะแล้วก็ระมัดระวังถ้าจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มันมีความรกกรุงรังมีความอับชื้นซึ่งมองแล้แน่นอนล่ะต้องมีสารมีพิษแน่ๆนะคะก็หลีกเลี่ยงกันนะคะนี่คือเรื่องราวในวันนี้ทั้งหมดที่เรานํามาพูดคุยแล้วก็แนะนําผู้ฟังกันในเพื่อนทันภัยค่ะซึ่งผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าเช้าเแบบนี้นะคะทุกวันพระหั ส, สบดีทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะรวมไปถึงทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกทานังต้องขอลาการไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ FM 8 9 5สิบมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บุรีวิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต